เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝันธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบหกเป็นวันที่ท่านทั้งหลาย มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาหาความสุขมาสร้างความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าในโลกนี้มีความสุขอยู่สองชนิดด้วยกันก็คือความสุขทางร่างกาย และความสุขทางจิตใจความสุขทางร่างกายเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเวลาที่ความสุขทางร่างกายเสื่อมไปหมดไปและก็ความสุขทางจิตใจเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุข ที่ไม่มีความทุกข์ตามมานี่คือความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พวกเราได้สัมผัสกันอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่พวกเราจะสัมผัสกับความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูออกลิ้นกายส่วนความสุขทางจิตใจ เราก็สัมผัสบ้างแต่ไม่ได้มากเท่าเพราะว่าเรายังไม่เห็นคุณค่าของความสุขทางจิตใจเรายังยังต้องอาศัยความสุขทางร่างกายความสุขชั่วคราวไปพรางๆก่อนเพราะถ้าเรา ไม่มีความสุขเลยเราก็จะมีความหดหู่ใจความเศร้าส้อยน้อยเหงาความว้าเหวใจแต่เนื่องจากการที่พวกเราหาความสุขทางร่างกายกันพวกเราจึงไม่สามารถหนีความทุกข์ที่จะตามมาได้ เวลาที่ความสุขทางร่างกายหายไปวีจากเราไปแต่ถ้าเราเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกับความทุกข์ที่ตามมาจากการมีความสุขทางร่างกายเราก็จะหาความสุขอีกแบบหนึง่งก็คือหาความสุข ทางจิตใจเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขทางร่างกายและความสุขทางจิตใจนี้ก็ไม่เหมือนกันเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขทางร่างกายมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสุขทางร่างกายเกิดจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์ เวลามีทรัพย์ได้ทรัพย์มาจะเกิดความสุขขึ้นมาประการที่สองความสุขที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์นั่นเองถ้ามีทรัพย์แล้วไม่ได้ใช้ทรัพย์ก็ยังไม่มีความสุขแต่พอได้เอาทรัพย์นี้ไปใช้ไปซื้อความสุขต่างๆก็เกิดความสุขขึ้นมานี่คือข้อที่สอง เหตุที่ทำให้เกิดความสุขทางร่างกายข้อที่สาก็คือเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขทางร่างกายก็คือการไม่มีหนี้ถ้ามีหนี้แล้วความสุขก็จะหายไปมีแต่ความทุกข์ตามมาเพราะจะต้องกังวลกับการใช้หนี้นั่นเอง ดังนั้นถ้าอยากจะมีความสุขก็อย่าไปมีนี่นี่คือเหตุของความสุขทางร่างกายข้อที่สี่ความสุขที่เกิดจากการไม่กระทำสิ่งที่เป็นโทษนั่นเองเช่นไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดกฎระเบียบไม่ทำผิดศีลธรรมนี่คือเหตุสี่ประการ ที่จะทำให้เกิดความสุขทางร่างกายขึ้นมาส่วนความสุขทางจิตใจนี้มีอยู่สามประการด้วยกันคือความสุขที่เกิดจากการให้ทานอย่างที่วันนี้ญาติโยมนำข้าวของต่างๆอาหารต่างๆเครื่องดื่มเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ มาให้กับพระอย่างนี้เรียกว่าเป็นการให้ทานให้ทานแล้วก็จะเกิดความสุขใจอิ่ใจขึ้นมาความสุขใจอิ่มใจนี้เรียกว่าบุญนี่ที่เวลาที่เรามาวัดเรามักจะพูดว่ามาทําบุญแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรก็บอกขอบอกให้ทราบเลยว่า ปุนก็คือความสุขใจอิงใจนี่เองที่เกิดจากการเสียสะละเกิดจากการแบ่งปันเกิดจากการบริจาคของต่ตางๆเช่นทรัพย์2เข้าของเงินทองให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ความสุขทางใจอีกชนิดหนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากการไม่ทําบา ถ้าไม่ทำบาปแล้วใจจะไม่ร้อนใจจะไม่ทุกข์ใจจะเย็นจะสบายมีความสุขแล้วก็ความสุขชนิดที่สก็คือความสุขที่เกิดจากการภาวนาภาวนาแปลว่าทำใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดนี่คือวิธีสร้างความสุขทางจิตใจ ที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายเพราะว่าจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะว่าใจของเราไม่มีวันตายแล้วก็ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายที่จะต้องมีวันหมดไปเพราะว่าร่างกายจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายนั่นเอง เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้พอไม่สามารถหาได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้นอกจากเจ็บทางร่างกายแล้วยังต้องมาเจ็บทางใจมาทุกข์ทางใจด้วยเพราะไม่สามารถไปหาความสุข ทางร่างกายได้นั่นเองหรือเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินไม่มีทองก็จะไม่สามารถซื้อความสุขต่างๆได้ดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องเจอความทุกข์ที่เกิดจากการมีความสุขทางร่างกาย เราก็ต้องเลิกหาความสุขทางร่างกายแล้วหันมาหาความสุขทางจิตใจแทนวิธีที่จะเปลี่ยนจากการหาความสุขทางร่างกายมาสู่ความสุขทางจิตใจก็คือให้เอาเงินทองที่เราได้มาที่เราไปอยู่นี้เอามาแจกจ่ายให้แก่ผู้อเอามาทำบุญให้ทาง ดีกว่าเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปดูภาพยนต์ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปดื่มไปรับประทานของที่ฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จาเป็นจะต้องดืม่มไม่ต้องรับประทานเอาเงินที่จะมาซื้อความสุขทางร่างกายนี้มาซื้อความสุขทางใจ ด้วยการเอามาซื้อข้าวของมาทําบุญเอาเงินทองมาบริจาคให้กับวัดหรือจะบริจาคให้กับโรงเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้หรือจะให้กับบุคคลต่างๆก็ได้ให้กับบิดามารดาก็ได้ให้กับญาติสนิทมิตสหายก็ได้ให้กับขอทานข้างถนนก็ได้ การให้นี้และจะทําให้เราเกิดความสุขใจเกิดความเิ่มใจเป็นความสุขที่ดีกว่าการที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะว่าเวลาไปเที่ยวก็ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวพอผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็หายไปมีความอยากเที่ยว เกิดขึ้นมาใหม่ถ้าไม่มีเงินเที่ยวหรือไม่สามารถไปเที่ยวได้ก็จะมีความทุกข์ตามมาแต่การเอาเงินมาทาบุญนี้จะเกิดความสุขใจไปนานไม่ได้หมดไปหลังจากที่เราทาบุญกลับไปบ้านแล้วเราก็ยังมีความสุขใจอื่นใจอยู่ทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทำเอาไว้ เราก็จะเกิดความสุขใจเอ็งใจถึงแม้ว่าเราได้ทําไปนานแล้วก็ตามเพราะการทําบุญนี้ไม่ได้ทําให้เกิดความอยากนั่นเองแต่ทําให้ลดความอยากลงลดความอยากไปหาความสุขทางร่างกายลงเพราะใจมีความสุขทางจิตใจมีความอิ่งทางจิตใจนี่นี่ก็คือการเปลี่ยน การหาความสุขทางทางร่างกายมาสู่การหาความสุขทางจิตใจยุติการใช้เงินใช้ทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆอยู่แบบมัธยัส์ประยัอยู่แบบมากน้อยสันโดิอย่างที่ในหลวงทรงจัดสอนว่าให้อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง คือให้พออยู่พอกินก็พอแล้วให้มีปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็พอแล้วอย่าไปหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขอย่างอื่นเพราะมันเป็นความสุขกรองมันเป็นความทุกข์ที่จะตามมาหลังจากที่ใช้เงินหมดไปแล้วเวลาเงินหมดจะทำอย่างไร ก็ต้องทุกข์กับการหาเงินใหม่หรือถ้าหาไม่ได้ก็ต้องทุกข์กับการที่ต้องอยู่บ้านไม่สามารถออกไปข้างนอกใช้เงินใช้ทองได้ทุกข์เพราะใจยังอยากจะออกไปหาความสุขต่างๆอยู่ยังอยากจะไปเที่ยวยังอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอยู่นั่นเองนี่คือความทุกข์ที่จะตามมา ถ้าเราใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆต่อไปร่างกายของเราก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆพอแก่แล้วก็จะมีโรคภัยต่างๆมาเบียดเบียนเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้จะหาความสุขยากลำบาก เพราะว่าร่างกายไม่พร้อมนั่นเองตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีแขนขาก็ไม่ดีเดินไปไหนมาไหนก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์นี่คือผลที่จะตามมาจากการหาความสุขทางร่างกายแล้วถ้า เงินทองไม่พอใช้หาเงินทองไม่ได้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมากู้หนี้ยืมสินก็จะมีความทุกข์ใจตามมาเพราะกู้มาแล้วบางทีก็ไม่สามารถที่จะหามาใช้เขาได้เวลาเข้ามาตามทวงหนี้ก็ต้องทนให้เขาด่าให้เขาว่าแลวถ้า มาบ่อยๆก็ต้องคอยหลบคอยหนีเพราะไม่อยากจะเจอไม่อยากจะฟังหลบบ่อยๆเข้าเขาก็คิดว่าเราจะหนีไม่จ่ายหนี้เขาก็จะส่งคนมาทุบตีมาทวงหนี้ได้นี่เกิดจากการที่เราหาความสุขจากการใช้เงินทองแล้วพอเราถ้าเรากู้หนี้ไม่ได้เราเรายังอยากจะใช้เงินอยู่ เราก็ต้องไปทำในสิ่งที่เป็นโทษกับเราไปทำผิดกฎหมายไปลักขโมยไปค้าสิ่งเสบติดอันนี้ก็จะเป็นความทุกข์ที่จะตามมาสาเหตุเพราะว่าเราใช้เงินซื้อความสุขกันแล้วพอเราไม่สามารถหาเงินมาซื้อความสุขได้ต่อ เราก็เลยต้องไปเป็นหนี้บ้างหรือไปทําผิดกฎหมายไปทําบามากบ้างนั่นเองนี่คือโทษที่จะตามมาเราควรที่จะเปลี่ยนวิธีกาวิธีการหาความสุขเอาเงินทองที่จะไปซื้อความสุขมาทําบุญอย่างที่ท่านมากระทากันในวันนี้ทาแล้วก็จะมีความสุขใจอิ่มใจสบายใจ ทำแล้วก็จะมีความเมตตาคือมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจะไม่อยากจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะทำให้เราสามารถหาความสุขในขั้นที่สองได้ความสุขใจขั้นที่สองก็คือการไม่ทำบาสนี้พอเราทำบุญแล้วเราก็จะไม่ชอบทําบาก เราก็จะไม่ต้องไปมีความรุ่มร้อนใจที่เกิดจากการทําบาปเวลาเราทําบาปเช่นไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงนี้ทําไปแล้วใจจะไม่มีความสุขใจจะมีความทุกข์ความสุขที่ได้จากการทําบาปนี้ผ่านไปแล้วหมดไปแล้ว เวลารักทรัพ ม, มาก็ดีใจแล้วก็หายไปแล้วก็เกิดความวิตกกังวลเกิดความหวาดกลัวตามมาดังนั้นถ้าเราทําบุญอยู่เรื่อยๆ้วเราก็จะไม่ชอบทำบาปเราจะไม่ชอบทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทำของเราเราก็จะสามารถละการกระทำบาปได้ รักษาศีลได้พอไม่ทำบาตรักษาศีลได้ใจก็จะเย็นจะสบายไม่กังวลไม่เดือดร้อนไม่หวาดกลัวกับผลของการกระทำบาตเพราะไม่ได้ทำบาสนั่นเองพอใจเรามีความสุขจากการไม่ทำบาตเราก็จะสามารถก้าวขึ้นไปสู่การ ทำความสุขระดับที่สามได้ก็คือการทำใจให้สงบได้เราจะมีเวลามาวัดมาปฏิบัติทำมานั่งสมาธิหรือเราจะมีเวลาอยู่บ้านนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมได้เพราะว่าเราไม่ต้องไปหาเงินหาทองมากมายนั่นเองเราหาเงินหาทอง พอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราเราก็ไม่ต้องหามากเราก็จะมีเวลาว่างมีเวลาว่าที่จะมาทำใจให้สงบนั่นเองถ้าเราทำใจให้สงบได้เราก็จะพบกับความสุขที่สุดยอดความสุขสุดยอดนี้เกิดจากการทำใจให้สงบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนะของใจใจจะสงบได้ก็ต้องควบคุมบังคับไม่ปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยเหมือนกับรถรถจะจอดได้ก็ต้องควบคุมบังคับด้วยการเหยียบเบรกถอนคันเร่งรถถึงจะจอดได้หยุดได้ถ้าไม่เหยียบเบรกไม่ถอนคันเร่ง รตก็จะวิ่งไปเรื่อยๆฉันใดใจของเราถ้าต้องการให้ใจสงบเราก็ต้องถอนคันเร่งของใจและเหยียบเบรกของใจคันเร่งของใจคืออะไรก็ความก็ความอยากความโลภความโกรธนี่เองเวลาเกิดความโลภความโกรธแล้วใจจะอยู่นิ่งๆไม่ได้ใจจะคิดไปเรื่อยๆ ถ้าเราอยากจะหยุดเราต้องหยุดความโลภแล้วก็เหยียบเบรกเบรกของใจคืออะไรก็คือสตินี่เองเราต้องควบคุมบังคับให้ใจคิดอยู่เรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธให้คิดแต่พุทโธพุทโธไปใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆ ที่ทําให้เกิดความโลภเกิดความอยากได้ถ้าเราควบคุมได้แล้เรามีเวลาว่างมานั่งหลับตาแล้วควบคุมใจต่อไปควบคุมความคิดต่อไปใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอได้เข้าสู่ความสงบแล้วก็จะพบกับของ ว, วิเศษที่เราไม่เคยพบมาก่อน เป็นของที่ดีกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วมีอยู่ในใจของเราอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเข้าไปหามันเราหนีมันเราถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขข้างนอกเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขที่สุดยอดอยู่ภายในใจของเราการจะเข้าหาความสุขที่สุดยอดนี้ได้ ต้องหยุดความคิดของเราให้ได้หยุดความโลภหยุดความอยากให้ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเราจะทําอะไรอาบน้ําล้างหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้พุทโธพุทโธไป แล้วพอมีเวลาว่างก็หาที่สงบที่เงียบแล้วก็นั่งหลับตาท่องพุทโธไปต่อแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสุขสุดยอดนี้ได้พอเราได้พบกับความสุขสุดยอดนี้แล้วเราก็จะไม่อยากได้ความสุขอย่างอื่นแล้วเราอยากจะได้ความสุขนี้ไปนานานแต่ความสุขนี้พอเราออกจากการนั่งสมาธิมา ถ้าเราไม่รักษาความสุขนี้ก็จะถูกความอยากมากลบไปได้ดังนั้นเราต้องหยุดความอยากเวลาออกจากความสงบมามาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องใช้ปัญญาใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยาก สอนใจว่าสิ่งที่อยากได้มานี้สู้กับความส ง, มสงบที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่ได้ความสงบที่มีอยู่ตอนนี้ดีที่สุดแล้วได้เงินมาก็ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขที่ดีกว่านี้นอกจากไม่ได้ความสุขที่ดีกว่านี้แล้วยังทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าจะต้องคอยกังวลแล้วมีเงินต้องคอยกังวลแล้วว่าจะไปเก็บไว้ที่ไหนดี จะไปใช้อะไรดีเวลามีคนมาขอก็มีความไม่สบายใจแล้วให้เขาก็เสียดายไม่ให้เขาก็เสียเพื่อนอถ้าไม่มีเงินก็จะไม่มีใครมาขอเราไม่มีเงินเราก็ไม่ต้องมากังวลว่าจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนดีนี่คือโทษของการมีสิ่งของต่างๆอย่าไปมีมัน มันสู้การไม่มีการอยู่อย่างสงบนี้ไม่ได้ใจอยู่เฉยๆมีความสงบนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งถ้าอยากจะให้มีความสุขอย่างนี้ไปนานๆนนก็ต้องคอยใช้ปัญญาตัดความอยากที่จะเกิดขึ้นมาตัดความโลภที่จะเกิดขึ้นมาให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไป พอหมดไปแล้วจากความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์มาเช่นได้แฟนมาแล้วเวลาแฟนจากไปความสุขก็หายไปเหลือแต่ความทุกข์เหลือแต่ความว้าเหวกลับมาถ้ามีความสงบก็ไม่ต้องมีแฟนอยู่คนเดียวก็ไม่ว้าเหวเพราะมีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ นี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วสอนใจให้ฉลาดอย่าไปหลงกับความสุขที่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เป็นความทุกข์ตามมาให้รักษาความสงบของใจต่อไปด้วยการไม่ทำตามความอยากไม่ทำตามความโลภถ้าเราทำได้เราก็จะมีความสุขที่สุดยอดนี้ อยู่ตลอดเวลาความสุขสุดยอด น, นี้จะทำให้เราไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียกับการพัดพาจากสิ่งต่างๆไปที่จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนเราจะต้องพัดพาจากร่างกายนี้ไปเราต้องพัดพาจากร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้าของสามีของภรรยาของบุตรธิดาของญาติสนิทมิตสหายไป เพราะนี่คือความจริงของโลกนี้เป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีมาแล้วก็ต้องมีไปแต่ถ้าเรามีความสุขสุดยอดความสุขที่เกิดจากความสงบอยู่ภายในใจของเรานี้เราจะไม่ทุกข์กับการทัดพากจากกันเลยนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย ได้พบแล้วแล้วได้นำเอามา้อยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพวกเราสามารถปฏิบัติตามได้พวกเราก็จะมีความสุขแบบนี้ได้ก็ขอให้พวกเราพยายามเปลี่ยนการหาความสุขจากการหาความสุขทางร่างกายมาหาความสุขทางจิตใจด้วยการเอาเงินทองนี้ มาทางบุญอย่าเอาไปเที่ยวอย่าเอาไปกินเอาไปดื่มอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จาเป็นแล้วเราจะมีความสุขและเราจะสามารถหาความสุขทั้งสาม ร, ระดับได้ตั้งแต่ทานศีลและภาวนาไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาหาความสุขทางใจ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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความจเจริญด้วยอายุวันสุขภาละโดยทั่วหน้ากรเธอ